สีวันที่ผ่านมานะก็มีพระทิวัดของเราลงไปสอบที่แก่งครอการสอบนี้ก็ไม่ใช่มีแต่เฉพาะพระทิวัดป่าสุขโตนะมันต้องเรียกว่าพระเนนทั่วประเทศเลยเป็นการสอบทั่วประเทศนะประจําปีสอบวิชานักธรรมตรีคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงพระสงฆ์ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ยินะนะว่มี วิชานี้อยู่ด้วยนม้กระทังพระจํานวนมากนะก็ไม่รู้ว่าเนี่ยมันมีวิชานี้ที่ต้องเรียนและต้องสอบนะโดยเพราะที่เป็นพระนว ก, กะนักธรรมตรีเนี่ยมันเป็นหลักสูตรพื้นฐานเลยนะของคณะสงฆ์ไทยแล้วก็เป็นการประมวลความรู้พื้นฐานสําหรับ ไม่ใช่เฉพาะพระนะแต่ลวมทั้งเนรด้วยเกี่ยวกับพุทธศาสนามันเป็นความรู้ด้านปริยะติธรรมนะที่แต่ว่าไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะพระเนรเท่านั้นนะนะแต่ว่าชาวพุทธเนี่ยก็ควรจะรับรู้นะหรือว่าเรียนด้วยก็อย่างที่บอกนะมันเป็นการประมวลความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมะเรื่องวิ น, นัย รวมทั้งเรื่องพุทธประวัติวินัยเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะเป็นวินัยของพระสงฆ์แต่ว่าสามเณรก็ดีนะชอบพู้ที่เป็นคนละทั่วไปก็ดีก็ควรจะทราบจะได้รู้ว่าพระที่ดีเนี่ยพึงปฏิบัติตัวอย่างไรการปฏิบัติตามพระวินัยเป็นอย่างไรก็ต้องมีเกณฑ์ในการวัดหรือความรู้ในการตรวจสอบ พิจารณาสมัยก่อนเนี่ยนะวิชานักธรรมเนี่ยซึ่งก็มีอยู่3ชั้นนะตรีโทเอกเนี่ยแม้แต่วิชานักธรรมขั้นพื้นฐานคือนักธรรมตรีเนี่ยมีความสำคัญนะคอยหลังไปเมื่อสัก 80-90 ปีก่อนเนี่ยพระเนนที่จบนักธรรมตรีเนี่ยึกออกมานี่ก็ถือว่าโก้นะ แล้วก็มีหลับประกันว่าจะได้ทำงานนะรับราชการยิ่งนักธรรมเอกเวลานี้นะก็ถือว่าเป็นที่เชิญน่าชูตานะของวัดหรือว่าของชุมชนเลยทีเดียวศึกไปแล้วนี่ก็ยังอวดใครได้นะจบนักธรรมเอกหรือแม้แต่พระเนี่ยนะเวลาแนะนำตัวเนี่ยนะถึงแม้จะไม่ได้จบมหาไม่ได้เป็นมหานะ แต่ถ้าลงท้ายว่านักทำตรีโทเอรนี่ก็ถือว่าก่อยู่นี่คือเมื่อ 80-90 ปีก่อนหรือ100ปีที่แล้วเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยโรงเรียนยังไม่แพร่หลายการศึกษาสมัยใหม่ยังไม่แพร่หลายการศึกษาที่ก้าวหน้าที่สุดนะการศึกษาสมัยใหม่เนี่ย มันก็หาได้จากในวัดเท่านั้นแหละต้อ ง, งนึกภาพในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีโรงเรียนนะโรงเรียนยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่เฉยเพาะในชนบทการศึกษาสมัยใหม่แม้กระทั่งขั้นพื้นฐานคืออ่านออกเขียนได้นี่ก็ต้องมาเรียนที่วัดและดังนั้นพระเนร เ, เนี่ยที่อ่านออกเขียนได้นี่ก็ถือว่ามีความรู้มากกว่าชาวบ้านทั่วไปและยิ่ง ไม่ใช่แค่อ่านออกเขียนได้นะแต่ว่ายังสามารถจะแต่งกระทู้แล้วก็มีความรู้พื้นฐานด้านพุทธศาสนานี่ก็ถือว่าเป็นผู้นําของชุมชนได้จบมาแล้วเนี่ยถ้าสึกนะเป็นคฤหัสน์เนี่ยก็หางานทำได้ไม่ยากโดยเพราะรับราชการอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสามารถนะของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชริยานวโรรสนะนท่านเรียกว่าได้ชื่อว่าเป็นบิดาของการศึกษาสงฆ์สมัยใหม่เพราะว่าท่านเป็นคนคิดค้นหลักสูตรนักธรรมรวนทั้งหลักสูตรปริยัติธรรมบาลีที่เป็นรูปเป็นร่างเป็นระบบทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นเพราะการคิดค้นของท่านจะเรียกว่า ด้วยตัวคนเดียวเลยก็ได้นะเพราะว่าพอคิดหลักสูตรขึ้นมาแล้วตำรานี่ท่านก็เขียนเองหมดเลยหลักสูตรนักทําตรีโตเองเนี่ยตำรานี่แทบทั้งหมดเลยเนี่ยท่านเขียนเองแะทุกวันนี้ก็ยังใช้ตําราของท่าน ท, ทั้งที่ผ่านมาร้อยปีคนไม่รู้นะว่านักทําตรีโตเองนี่มันก็เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อไม่ถึง100ปีนี่แหละโดยฝีมือของสมเด็จพระมมา ส, สมาพุทธเจ้ากุมพยาวชิริายานวโรดต ขึ่นเป็นพระนุชาของราชการที่5แล้วก็เป็นจะเรียกว่าเป็นญาติผู้ใหญ่นะของราชการที่6กที่ท่านพอสร้างหลักสูตรขึ้นมาแล้วเนี่ยนะมันก็ทำให้เกิดการศึกษาที่เป็นมาตรฐานในหมู่คณะสงฆ์ไทยพัตรกอเนี่ยไม่มีมาตรฐานเลยสอนกันไปคนละทิศคนละทางแล้วแต่สำนักแล้วแต่ครูบาอาจารย์ สมรจารยิยท่านก็มาวางหลักสูตรการศึกษาสำหรับคณะสงฆทั่วประเทศงั้นทุกวัดก็เรียนหลักสูตรเดียวกันตําราเดียวกันจบไปแล้วก็มีความรู้ความรู้เกี่ยวพุทธศาสนาแล้วก็ออกไปรับราชการทำมาหากินได้เพราะมีความรู้ด้านอ่านออกเขียนได้แต่ตอนหลังเนี่ยนะพอโรงเรียนแพร่หลายการศึกษาสมัยแพร่หลายไปตามโรงเรียนต่างเนี่ยหลักสูตรนักธรรม ตีโทเอกก็ค่อยๆลดความสำคัญหรือว่าได้รับความนิยมน้อยลงต่อหลังนี้จบนักธรรมนะอย่างมากก็ไปสมัครเป็นบุรุษไปศนีเท่านั้นแหละและเดี๋ยวนี้นี่ก็จบนักธรรมตรีเขาก็เทียบบุธเท่ากับปฐมนะปฐมศึกษาซึ่งสำหรับพระเราที่ไปไปสอบนี่นะหลายคนก็จบปริญญาตรีแล้ว บางคนจบปริญญาโทได้ซ้ำเรียกว่าวิชาที่เรียนนี่มันต่ำกว่าบุตมากเลยอันนี้ก็เป็นเนผลหนึ่งที่ทำให้หลักสูตรนักธรรมตรีเนี่ยลดความสำคัญลงถึงเวลาไปสอบก็ไม่มีคนไปสอบนะแต่ก่อนนี้ต้องจะสอบเนี่ยนักธรรมตรีก็สอบหลังออกพรรษาแล้วนะ แต่ตอนหลังนี่พบว่าออกพรรษาไปแล้วเนี่ยไม่มีคนไปสอบนะเข้าชื่อไปแล้วแต่ไม่สอบเพราะว่าอะไรเพราะสื่อหาราเพศไปตัวเลขมันตกต่ำมากนะจำนวนพระเนนที่เข้าสอบแล้วเดี๋ยวนี้เนก็เหลือน้อยลงพระก็สื่อกันไปเยอะหลังจากออกพัรษาแล้ววิธีที่ทำให้ตัวเลขมันกระเตืองขึ้นมานก็คือสอบ ก่อนออกพรรษาเนะนี่ยนคือเหตุผลหรือที่มานะที่เรามาสอบกันนะก่อนที่จะออกพรรษาแล้วก็เดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยนิยมเรียนแล้วก็ไม่ตั้งใจเรียนด้วยเพราะหน่เนื้อเนื้อหาเนี่ยเนื้อหามันโบราณแล้วมันของ100ปีที่แล้วสำหรับคนสมัยใหม่เนี่ยมันก็ไม่รู้สึกว่า น่าสนใจเท่าไหร่หรือว่าตอบโจทย์ของของผู้เรียนและสองวิธีการสอนเนี่ยรวมทั้งวิธีวัดผลก็เน้นการท่องจำเน้นการท่องจำเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็ล้าสมัยแล้วคนเรียนจบก็ได้แต่จำเอาพอสอบเสร็จก็ลืม วิธีการสอนเนี่ยแทนที่จะเน้นให้เกิดความรู้จักคิดรู้จักประยุกต์ใช้ธรรมะเข้าใจเนื้อหาของธรรมะเอาไปใช้กับชีวิตไม่ว่านยามที่เป็นพระนักบวชหรือว่าเป็นครนถ้าว่าคนเนี่ยเห็นว่าวิชาที่เรียนเนี่ยมันมีประโยชน์มันตอบโจทย์ชีวิตได้เราก็สนใจนะเมือ่อกี้คนหลายคนเนี่ยสนใจเรื่อง how to หาทู to, อย่างงนหาทู to, อย่างนี้นี่ไม่มีใครบังคับให้เรียนก็ไปศึกษาค้นคว้าเสียเงินเรียนก็ไปเรียนเพราะมันตอบโจทย์ของเขาแต่ว่านักธรรมตีโทเอกเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มองว่ามันไม่ตอบโจทย์ก็เลยไม่สนใจเรียนยิ่งรู้ว่าเรียนจบไปแล้วก็เอาไปทําอะไรไม่ได้นักธรรมตีก็เทียบวุฒิเท่ากับปฐมศึกษาซึ่งส่วนใหญ่ก็ จบปริ ญ, ญาตีกันมาแล้วแรงจูงใจที่จะเรียนเพื่อประโยชน์ทางโลกก็เป็นศูนย์นะยกเว้นคนที่สนใจในเรื่องทางธรรมจริงเนี่ยถึงแม้ ว, ว, วิชานักธรรมเนี่ยมันจะโบราณแล้วนะเพราะเป็นผลผลิตของเมื่อร้อยปีก่อนแต่ว่าถ้าว่าเรารู้จักคิดพิจารณานะมีประโยชน์นะไม่ว่าจะเป็น วิชาธรรมวิภาคหรือว่าคือวิชาเกี่ยวกับธรรมะวิชาเกี่ยวกับวิในวิชาเกี่ยวกับพุทธประวัติถ้ารู้จักคิดพิจารณามีประโยชน์ถือแม้ว่ามันจะเป็นวิชาที่อาจจะโบราณสักหน่อยนะแต่ที่จริงพระไตปรปิฎกนี่ก็เก่านะสองหกปี แต่ว่าถ้ารู้จักพิจารณาเนี่ยก็ยังล้ำสมัยสามารถที่จะตอบโจทย์แก้ปัญหาชีวิตไดต้เพียงแต่ว่าผู้ที่สอนเนี่ยมไม่ได้สอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดรู้จักประยุกต์ธรรมะมาใช้กับชีวิตหรือใช้ธรรมะมาไต่ตรองพิจารณาชีวิตคนก็เลยรู้สึกมันไม่น่าสนใจแต่ผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะ ก็ย่อมเห็นประโยชน์หรือหาประโยชน์ได้จากวิชานักธรรมเสมอนะไม่ว่าจะเป็นวิชาใดก็ตามหรือแม้แต่จะเป็นนักธรรมชั้นตรีอย่างไวก็ตามนะถึงแม้ว่าสอบไปแล้วนะถ้าเรารู้จักเอามาใช้มันก็ยังมีประโยชน์อยู่ไม่ว่าจะเป็นธรรมะขั้นพื้นฐาน นะหรือว่าวิั ย, ยาที่สามารถจะมานำนำมาใช้ในการดาเนินชีวิตได้เมื่อเราเรียนจบแล้วเราสอบแล้วนะสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรจะลืมนะไม่ว่าจะเป็นพระนวกะหรือว่าพระที่มีผ่านสามากหรือแม้แกระทั่งญาติโยมเนี่ยแม้จะเรียนจบนะ ปริญญาจบด็อกเตอร์แล้วเนี่ยมันมีวิชาหนึ่งนาะที่ไม่ควรมองข้ามมันคือวิชาชีวิตวิชาชีวิตเนี่ยเป็นวิชาที่บางคนเนี่ยไม่คิดว่ามีด้วยซ้ำแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิชาที่สำคัญมากที่คนเขาบอกว่าเนี่ยการศึกษาคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยไอ้ที่เรียนรู้เนี่ยนะ ตลอดชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรียนรู้วิชาทางโลกอย่างเดียวนะหรือเรียนรู้วิชาชีพอย่างเดียวนะแต่มารวมถึงวิชาชีวิตด้วยจริงๆสมัยนี้วิชาชีพเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ไปตลอดเลยนะเพราะเดี๋ยวนี้มันมีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายแม้แต่คนที่เรียนแพทย์นี่ก็ยังต้องเรียนไม่จบสิน้นเพราะว่า มันมีความรู้เกี่ยวกับโรคสมัยใหม่แล้วก็มีวิธีการรักษาใหม่ๆที่ดีกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าต้องเรียนอยู่เรื่อยไปหยุดเรียนเมื่อไหร่ก็ตามโรคไม่ทันแต่มันไม่ใช่แค่วิชาชีพนะวิชาชีวิตก็เหมือนกันคือสิ่งที่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเลยวิชาชีวิตคืออะไรนะวิชาชีวิตก็คือวิชาหรือความรู้ ที่ช่วยทำให้เราดำเนินชีวิตในโลกนี้ได้อย่างมีคุณค่าแล้วก็มีความสุขหรือผูอยานก็คือว่าเป็นวิชาที่ช่วยให้เราเนี่ยได้เข้าถึงประโยชน์สูงสุด ข, ของการเป็นมนุษย์หรือได้รับประโยชน์สูงสุดจากการมีชีวิตนะอยู่ในโลกนี้มันมีความหมายมากกว่าวิชาชีพนะวิชาชีพส่วนใหญ่ก็ช่วยทำให้เรานะ สามารถทํามหากินมีเกียรติยศมีชื่อเสียงแล้วก็รวมไปถึงการมีครอบครัวมีชีวิตมีฐานะที่มั่นคงแต่มันไม่ได้เป็นหลักประกันนะว่าจะทําให้เรามีความสุขเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันเติมไปได้วยความไม่แน่นอนเติมไปได้วยความผันผลวนปรปลวน และสิ่งหนึ่งที่เราจะเรียนรู้จากวิชาชีวิตก็คือการทำให้ชีวิตอเราเนี่ยมีคุณค่ามีความหมายวิชาชีวิตเนี่ยจะบอกเราว่าเนี่ยอะไรคือจุดมุ่งหมายของชีวิตที่บางทีเร า, าพูดถึงว่าเนี่ยเกิดมาทำไมวิชาชีวิตเนี่ยตอบเราได้ว่าเกิดมาทำไมหรือพูดได้ถูกต้องคือว่า ตอบเราได้ว่าเราควรมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรหรืออยู่ไปทำไมนะเกิดมาทำไมนี่เราจะตอบยากเพราะเราไม่ได้เป็นคนพาตัวให้เกิดมาในโลกนี้แต่เราเป็นคนกำหนดหนะว่าเราจะมีชีวิตอย่างไรในโลกนี้ในวิชาชีวิตเนี่ยมาช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะตอบได้ว่าเราควรจะอยู่เพื่ออะไรหรือควรจะอยู่อย่างไรซึ่ง ถ้าเราจากช่ช่วยมีคุณค่าม <as outez> <ceksin> ัน si ก <ia> ็ทำให้ช่วยเรามีความหมายและทําให้เราเนี่ยมีความสุขแต่ทั้งที่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับความจริงของชีวิตแค่ไหนด้วยวิชาชีวิตนี่ไม่ได้บอกเพียงแค่ว่าคุณค่าของชีวิตความหมายของชีวิตแต่ยังเปิดเผยเราได้รู้ถึงความจริงของชีวิตเมื่อเรารูกถึงความจริงของชีวิตเนี่ยเราก็จะพบว่า ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือคนเราเนี่เกิดมาแล้วก็ต้องนะแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายวิชาชีวเนี่ยเตือนให้เรารู้ว่าในโลกนี้อะไรๆก็ไม่เที่ยงอะไรๆก็เกิดขึ้นได้อันนี้เป็นความรู้ที่สำคัญนะเพราะว่าความทุกข์ของผู้คนเนี่ย หรือว่าความทุกข์ใจเนี่ยนะมันก็ล้วแล้วแต่การที่คนเราเนี่ยลืมหรือมองข้ามความจริงอันนี้เมื่อเกิดความแปรเปลี่ยนเมื่อเกิดความผันผวน ป, ว น, ปวนแปรนะก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะไปยึดติดสิ่ ง, งต่างๆว่ามันเที่ยงว่ามันคงที่ไม่จะเป็นร่างกายไม่เป็นทรัพย์สินเงินทองไม่จะเป็นอาชีพรวมทั้งคนรัก ถ้าเรียนรู้วิชาชีวิตเนี่ยก็จะรู้ว่านะว่าสุขกับทุกข์เป็นของคู่กันยิ่งถ้าเป็นสุขที่ผูกติดกับลาบยศสารเสิร์นเนี่ยไอความทุกข์มันก็หนีไม่พ้นนะเพราะว่ามีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศสารเสริญเจอสารเสริญก็ต้องเจอนินทาแต่ว่าไปเรีย ว, วิชาชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องความรู้อย่างเดียวนะ มันไม่ใช่แค่ทำให้เราเห็นความจริงของโลกของชีวิตแต่มีทำให้เรามีทักษะหรือมีศิลปะในการดาเนินชีวิตให้เป็นสุขได้ท่ามกลางความผันผวนปลวนแป ร, ป ร, ปรของชีวิตและโลกนั่นก็หมายความเวลามีความเสื่อมความแปรปรวนเวลาเจอเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา เจ็บเจ็บป่วยหรือสูญเสียคนรักของรักก็สามารถรักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้หรือสามารถพาชีวิตให้ผ่านพ้นความทุกข์ความผัน ป, น, ป น, ป น, ปนป่วนปปวนาเหล่านั้นได้มันจะไม่สิ่งสำคัญมากเลยนะเพราะว่าเรียนสูงแค่ไหนร่ำรวยเพียงใดก็ก็ต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นแหละ อย่างที่เราสวดทุกเช้าเนี่ยเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วความทุกข์นั้นก็ไม่ใช่แค่ความแก่ความเจ็บความป่วยหรือความตายแต่ยังรวมถึงการสูญเสียพัดพรากคนรักของรักต้องเจอความไม่สมหวังเจออนิถารลมเสื่อมลาบ เสื่อมยศนะเจอคำตอบว่าดาทอเจอคำดูถูกหยาดยาะยามหยันไม่ใช่แค่คำสรรเสริญยกย่องอย่างเดียวคนที่เก่งในเรื่องวิชาชีพหรือประสบความสาเร็จในทางวิชาการเนี่ยแต่พอเจอกับความผ่อนผนปนไ ป, ป, ปลอย่างที่ว่านี่ก็เอาตัวไม่รอดก็มีนะแต่ถ้าว่าเรามีวิชาชีวิตนะ มีทักษะมีศิลปะเพราะมีความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตเราก็สามารถที่จะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้และสามารถนาพาชีวิตให้เข้าถึงความเจริญงอกงามกาพูดอย่างนี้ก็คงจะเห็นความสำคัญนะของวิชาชีวิตเนี่ยแต่คำถามคือ่อเราจะเรียนวิชาชีวิตได้อย่างไรนะวิชานักธรรมนี่เราก็เรียนจากตารา เราก็เรียนจากครูบาอาจารย์ที่มาสอนหน้ากระดานหรือสอนหน้าชั้นแต่วิชาชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่เรียนจากตำรายอย่างเดียวนะมันเรียนจากประสบการณ์ด้วยประสบการณ์ก็มีทั้งประสบการณ์ชั้นสองนะคือประสบการณ์ที่คนอื่นเล่าให้ฟังพ่อแม่เล่าให้ฟังนะครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังหรือว่า เราอ่านจากข้อมูลข่าวสารหนังสือพิมพ์เห็นคนที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตแต่ว่ากัดกุ้มจนกระทั่งขาดตัวตายหรือคนที่เคยประสบความสําเร็จพุ่งสุดขีดแล้วก็ตกลงมาจากเศรษฐีกลายเป็นญาจบอันนี้มันก็สอนเรานะสอนเราเกี่ยวเรื่องวิชาชีวิตแต่ไม่มีอะไรที่สอนเราได้ดีกว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเอง ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันสอนเรานะนะสอนเราเกี่ยวกับเรื่องวิชาชีวิตรวมทั้งเวลาเกิดเหตุร้ายถ้าเราไม่โมต่เป็นทุกข์กับมันหรือว่าคร่ำครวญเราจะพบว่ามันสอนเราได้เยอะเลยและเราควรนะรู้จักใช้ประสบการณ์ชีวิตเนี่ย หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สอนเราอย่างคนที่มีคนหนึ่งที่เจอน้ำท่วม น, ะน้ำท่วมใหญ่เนี่ยนะที่มันทำให้ไม่ใช่แค่สูญเสียข้าวของหรือว่าทำมาหากินลำบากแต่ว่า ยังสูญเสียสิ่งที่มีค่ามากมายหลายคนนี่ก็ทุกข์มากนะแล้วก็อดครวญตีโพยตีพายแต่มีคนหนึ่งแกพูดดีนะเขาบอกว่าน้ำท่วมครา้นี้มันก็สอนให้เรารู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงนะทุกอย่างที่เรามีเนี่ยมันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราว เราไม่ได้เป็นเจ้าของมันอย่างแท้จริงเลยถึงเวลาน้ําท่วมมันก็พัดพาเอาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไปแล้วถ้าไม่ใช่น้ําท่วมก็อาจจะโดนไฟไหม้หรืออาจจะมีคนลักขโมยไปอันนี้ก็ถือว่าเขาเรียนนะเรียนวิชาชีวิตจากประสบการณ์ประสบการณ์มันสอนให้เขาได้เห็นความจริงของชีวิต คนเราเนี่ต้องรู้จักนะเรียนวิชาชีวิตจากประสบการณ์อย่าปล่อยให้ประสบการณ์ที่เลวร้ายเนี่ยมันทำให้เราทุกข์อย่าปล่อยให้ประสบการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาทาให้เราโกรธแค้นถ้าเป็นอย่างนั้นที่ขาดทุนแต่ว่าถ้าเราฉลาดเนี่ยเราก็สามารถจะเรียนรู้จากทุกอย่างเหตุการณ์ไม่ได้สอนเราอย่างเดียวนะ คนที่เขาทำตัวไม่น่ารักทำตัวน่าระอาหรือต่อว่าเราเขาก็สามารถจะเป็นครูสอนเราได้อย่างมีคราวหนึ่งนะหลวงพ่อพุธเนี่ยท่านเล่าว่าสมัยที่ท่านหนุ่มเนี่ยปินฑบาตอยู่กลางเมืองเลยก็มีแม่เนี่ยกับเด็กอายุ 6-7 ขวบนี่ยืนรอใส่บาตรอยู่ ท่นก็เดินไปที่แม่ลูกคู่นี้พอเดินไปใกล้ถึงเนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยจู่ๆก็พูดแล้วก็มองมาที่ท่านว่ามึงบอกแม่นพระดอกมึงบอกแม่นพระดอกมึงไม่ใช่พระหรอกอที่เราท่านฉุนนะเพราะไม่เคยไม่เคยมีใครพูดกับท่านอย่างนี้แต่แล้ท่านได้สตินะ รู้ตัวเนี่ยว่าเกิดความไม่พอใจแล้วเสียงที่เกิดขึ้นตามมาก็ก็คือเสียงพูดในใจว่าเออจริงของมันว่ะเราไม่ใช่พระหรอกเพราะถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธบอกว่าแทนที่ท่านจะโกรธต่อไปนะใจท่านสงบเลยแล้วท่านก็เดินบาทนะไปรับบาทจากแม่ของเด็กคนนั้น โดยที่ไม่ได้โกรธเด็กแล้วก็ไม่ได้โกรธแม่เลยนะว่าแม่สอนลูกยังไงนะท่านพูดในเวลาต่อมาว่าเนี่ยเด็กคนนี้คืออาจารย์ของท่านคือสอนท่านนะให้รู้ว่าเนี่ยท่านยังเป็นพระไม่พอยังไม่ยังเป็นพระไม่ดีพอเพราะท่านยังโกรธอยู่คนธรรมดาเนี่ยถ้าไม่ฉลาดนะก็จะโกรธเด็กมาพูดกูอย่างนี้ได้ยังไงแต่คนที่ฉลาดที่เข้าใจเรื่องวิชาชีวิตเนี่ยก็จะ ก็จะมองว่าเออเนี่ยนี่เขากำลังสอนเราเ้าคืออาจารย์ที่ทำให้เราได้รู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีวิตอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในการเรียนรู้และเราก็ควรจะมีความฉลาดในการเรียนรู้แบบนี้บ้างก็คือว่าเรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้จากทุกประสบการณ์โดยเฉพาะอนิจจารมคือเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา ที่ไม่เป็นไปดังใจรวมทั้งเอาถือเอาคนที่เขาทำตัวหรือพูดไม่ถูกหูเราเอามาเป็นครูสอนเราให้เราได้รู้จักตัวเองหรือเอามาเป็นครูที่สอนให้เรารู้ว่ามีอะไรที่เราต้องฝึกฝนให้ดีขึ้นไปกว่านี้ก็อย่าลืมนะวิชาชีวิตเนี่ย นี่คือสิ่งที่เป็นวิชาที่เราต้องเรียนไปตนตายตราบใดที่เรายังไม่ได้บรรลุอรหัตผลเพราะถ้าเราไม่เรียนรู้วิชาชีวิตเมื่อเจอความผันปวนแปป่ว น, น, นเราก็จะเอาตัวไม่รอดงถ้าเราอยากจะเอาตัวให้รอดและสามารถที่จะฟันฝ่าความทุกข์ได้เนี่ยวิชาชีวิตคือวิชาหนึ่งนะที่เราต้องเรียนหรือจะเรียกว่าเป็นวิชาเดียวก็ได้ที่เราต้องรู้ อาจารย์ น, นี่พุทนีนะ